พธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดท่ามกองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเรื่องอุปท า, าน เราหมั่นอบรมจิตใจพระพุทธเจ้าสอนให้อบรมจิตใจให้ดีให้สงบเสียก่อนเพราะจิตใจที่สงบตั้งมั่นดีแล้วเป็นบาทของวิปัสสนาจิตตั้งมั่นแล้วปัญญามันเกิดขึ้นมันจึงรู้เท่าสิ่งทั้งปวงบรรดาสิ่งทั้งปวงในโลกมันตกอยู่ในตายรักหมดทั้งนั้นรู้เท่าอันนี้รู้เท่าสิ่งทั้งปวงแล้วเราจะปล่อยวางอัตภาพ สิ่งทั้งปวงก็แม่นก้อนทานั่นแหละก็เรานั่นแหละไม่ใช่อื่นก้อนสมมุติหมดทั้งนั้นว่าผู้หญิงว่าผู้ชายว่าผู้ดีสมมุติหมดทั้งนั้นจริงก็จริงสมมุติสมมุติไม่พอพระพุทธเจ้าวันญยติทับลงอิบเรียกว่าธาตุธาตุสรูปธาตุรู ป, ปรขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขัน พระพุทธเจ้าบัญญัติทับลงไปอีกว่าอายตนะจะขูวิญญาณังโสตะวิญญาณังขานะวิญญาณังชิวหาวิญญาณังกายะวิญญาณังมโนวิญญาณังเรามาหลงสมมติจะขูโลเกปิยะรูปังสาตะรูปังเพราะมันหลงสมมุติว่าผู้หญิงว่าผู้ชายว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขา แล้วเข้าใจว่าตาเป็นที่รักใคร่พอใจของตนโซตะหูก็เป็นที่รักของตนในโลกคานะจมูกเป็นที่รักของตนชิวหะรินเป็นที่รักของตนสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดีเป็นที่รักของตนธรรมารมณ์มโนวิญญาณเกิดขึ้นอดีตอนาคตมารวมอยู่ในปัจจุบันนี่แหละตัณหาคือสมุทยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ตัวสมุทัยเราไม่รู้เท่ามันจึงเป็นเหตุให้เกิดกิเลสมารขึ้นความไม่รู้เท่าสังขารมันจึงทําให้เกิดกิเลสมารคันเกิดกิเลสมารเป็นทุกข์ความทุกข์มาจากไหนมาจากตัณหาตัณหาความไข้ความพอใจในรูปเสียงเรียกว่ากามตัณหาเป็นสิ่งที่มีวิญญาณก็ตามความไข้ความพอใจ รักใครพอใจเกิดแล้วก็อยากได้อยากเป็นอยากมีอยากดีอยากเด่นอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกว่าภาวะตันหาความไม่พอใจเหมือนผมหงอกฟันหักหนังเหี่ยวความแก่งอมแห่งชีวิตอินทรีย์ของขันมีรูปมีนามเกิดขึ้นไม่พอใจเกียรคร้างไม่ชอบเรียกว่าวิภวะตันหา ตัณหาทั้งสามนี้เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เผามันในเบื้องต้นมันจะเกิดเป็นรูปเป็นนามปฏิสนธิมันก็อาศัยกามจึงเรียกกามตัณหาความรักคข่ความพอใจมันเป็นเหตุให้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเพราะความไข่ในกามจึงเกิดเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาแล้วก็ได้รับทุกข์ต่างๆนานา ความทุกข์เกิดขึ้นในกายความไม่ดีเกิดขึ้นในกายเวทนาไม่ดีเกิดขึ้นทางสัมผัสทางกายนี้เรียกว่าความทุกข์กายความทุกข์เกิดขึ้นในใจความไม่ดีเกิดขึ้นในใจเวทนาไม่ดีเกิดขึ้นแต่สัมผัสทางใจอันนี้เรียกว่าโทมนัตความเสียใจเกิดมีแก่สัตว์ทั้งหลายมันเฉพาะที่ตันหาสาม มันเป็นเหตุให้มีความปรุงความแต่งคือสังขารปรุงแต่งขึ้นคึ้นชื่อว่าสังขารแล้วจะเป็นสิ่งที่มีวิญญาณอยู่ก็ตามไม่มีวิญญาณก็ตามมันจะตกอยู่ในตาลรักทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่าขันขันห้าเป็นรูปเป็นขันเรียกว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนปัจจุปาทานขันธาทุกขารูปเป็นอุปทานขัน ถือว่าเป็นตัวตนจึงเป็นทุกข์ปัญจุปัฏฐานขันธ์อนาัตตาขันทั้งหลายไม่ใช่คนใช่สัตว์ท่านให้พิจารณาให้รู้เท่ารู้เท่าอย่างนี้แล้วเห็นชัดอยู่ที่จิตแล้วจิตมันจะไม่ยึดถือมันจะปล่อยวางมีความคลายกำหนัดไม่ถือว่าเราว่าเขาไม่ยึดในอุปทานขันธ์ปล่อยวางอุปทานขันธ์สิ่งทั้งปวงนั่นหนะ ก็เพราะว่าจิตนั่นแหละไปยึดไปถือเอาทุกสิ่งทุกอย่างผมขนเล็บฟันหนังมันถือเอาเป็นของเราหมดทั้งนั้นให้รู้เท่าว่าเป็นของอสุภะอสุพังของไม่สวยไม่งามเป็นของปฏิกูลน่าเกียดแล้วจิตมันจะมีความเบื่อหน่ายรู้เท่าทันจิตเบื่อหน่ายแล้วจิตวางขันวางก้อนนี้ว่าไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชาย พิจารณาให้มันเห็นลงไปไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเป็นของกลางจิตเป็นผู้จัดการเป็นผู้บัญชาการเอาอยู่อย่างนั้นเพราะมันเข้าใจว่าเป็นตัวเป็นตนมันบัญชาการว่าเป็นตัวเป็นตนมันอยากได้อยากมีทะเยอทะยานเมื่อมันวางแล้วจิตว่างจิตว่างจากคนจากสัตว์จิตว่างจากค น, จ, ก จ, จ, กคนจิตก็ร่าเริงบันเทิง จิตท่องใสจิตเบาจิตควรแก่การงานควรแก่กรรมฐานพิจารณากรรมฐานให้มันไม่ยึดไม่ถืออะไรแล้วจิตว่างมันเห็นว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แล้วแต่เราก็ทำไปเพราะต้องอาศัยก้อนนี้ก้อนทำอันนี้ทำไปเลี้ยงมันไปปฏิบัติมันไปพระอริยเจ้าอาศัยสร้างบา ร, รมีเท่านั้น คันไม่มีก้อนอันนี้แล้วมีแต่ดวงจิตเท่านั้นจะไม่สําเร็จอะไรหมดทั้งนั้นเพราะมันมีแต่จิตรูปอันนี้เหมือนกันกันกบกระบอกเขาโฆษณาโวโวโ ว, โวนะเหมือนกันนั่นแหละมันมีรูปอันนี้เสียงอันนั้นมันก็ดังออกผู้นั้นไม่มีอยู่แต่กําลังจิตนั่นพูดไม่ออกขอยืมเครื่องมาพูดกันหน่อยเถอะว่าอย่างนั้น มันไม่มีรูปแล้วมันก็พูดไม่เป็นจิตนั่นนะ่ะดวงวิญญาณนะ่ะมันพูดไม่เป็นพูดไม่ออกไม่มีเสียงถ้ามีก้อนอันนี้มันจึงออกเป็นเสียงดังกล้องออกไปต้องอาศัยมันนั่นแหละมนุษย์เป็นชาติอันสูงสุดได้อัตภาพมาดีแล้วพวกเราไม่ควรประมาทไม่ควรนอกใจในความเป็นอยู่ของสังขารว่ามันจะมั่นคงคงทนไปอีกเมื่อไหร่เราไม่รู้ ถ้าปัญญาไม่ฉลาดมัจจุราชคานคืบเข้ามาพญามัจจุราชจะมาคว้าคอเราอยู่แล้วแน่นอนทีเดียวความตายไม่ต้องสงสัยเป็นแต่ตายก่อนตายหลังกันเท่านั้นไม่เลือกสักคนผลที่สุดกลับเป็นดินไปหมดอัตภาพว่าเป็นของเราแล้วเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วก็นอนทับแผ่นดินเอาไปไม่ได้ด้วยซ้ำ พอจิตมันเป็นบ้ามันหลงหลงร่างกายพอได้ความนอบน้อมคำสรรเสริญก็ดีใจผู้อื่นเขาติฉินนินทาก็ยุบลงจิตไม่รู้เท่าตามความเป็นจริงของสังขารมันจะได้ความสุขมาจากไหนพระพุทธเจ้าสอนไว้คนตาบอดยากที่จะบำบัดโรคตาบอดให้มันตาแจ้งก็มีอยู่คือปัญจกรรมฐาน กรรมฐานห้าพระพุทธเจ้าให้น้อมเข้ามาค้นคว้ากรรมฐานห้านี้เกษาผมโลมาขนนาัขาเล็บพันตาฟันตัโจหนังแตจ่จะปริยันโตหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโลโนานับประการักษะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆนั่นนี่แหละ เริมตาขึ้นมาให้มันเห็นแล้วตั้งใจทำอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ทำบันเดียวเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งทำเอาตายเอาชีวิตเป็นแดนเรื่องทำความเพียรถ้าดีแล้วก็ไม่เหลือวิสัยความจะพ้นทุกมันมีน้อยมีอยู่ในอัตภาพนี้แหละไม่ได้อยู่ที่อื่นจิตว่างเท่านั้นแหละว่างหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ใช่ของตัวของตน มันไม่ยึดมันก็ ache, พ้นทุกข์ก็มีสุขจิตอบรมดีแล้วมันก็บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นจิตเรื่มประพัดสอนจึงเห็นชัดว่าดีแล้วจิตตั้งทันตั้งสุขาวาหังจิตฝึกดีแล้วนั้นนำความสุขมาให้ไม่มีที่สิ้นสุดนี่เรามันตามืดตามัวตาบอดตาขุนตาหมัวมันไม่เห็นหนทางมันก็งมงมไป ตกหลุมเสียงูเห่ามันอยู่ในหลุมนั่นตกลงไปงูเห่ากัดตายอยู่อย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเที่ยวเกิดเที่ยวตายจงตั้งใจพิจารณาธาตุก้อนอันนี้แหละพิจารณาเข้าเป็นธาตุหรือหรือสัตว์หรือคนก้อนนี้นะ่ะหลอกลวงเรากัดเราไม่มีความสุขเพราะเหตุนั้นหัวใจมันจึงขุ่นมัว เมื่อมันรู้เท่ามันปล่อยมันวางแล้วนั่นแหละจิตมันจึงจะลืมตาได้เห็นความสว่างเหมือน ก, นกันกับดวงจันทร์ถ้าถูกเมฆคอบงำแล้วก็มืดไม่เห็นฟ้าเห็นสิ่งทั้งปวงเมื่อก้อนเมฆผ่านไปลมตีไปแล้วไม่มีอะไรปิดบังดวงจันทร์แล้วดวงจันทร์ก็แจ่มจ้าสว่างสวยชั้นใดท่านผู้มีความเพียรฝึกอยู่จนเป็นนิสัยของตนแล้ว เห็นตามความจริงของสังขารแล้วว่ามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในท่ามกลางมีความแตกสลายไปในที่สุดไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารพอจิตว่างจะมีแต่ความสว่างไสวมันก็มีแต่ความสุขไม่มีอะไรจะเปรียบเอาอะไรที่เป็นแก่นสารไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นสารแล้วจิตมันก็ไม่มีตนมีตัว เมื่อมันว่างตนว่างตัวแล้วก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ผุดพองให้ตั้งใจทำความเพียรอย่าไปนอนใจว่าเราจะยืนไปอีกเท่านั้นเท่านี้ไม่มีรู้การนูน้นการนี้เวลาใดไม่มีเวลามันต้องเป็นไปตามกรรมสุดแตกกรรมจะเทไป